เปนโกาดีๆอีกวันหนึ่งสําหรับพวกเราเหล่านักบุญที่นั่งฟังธรรมะกันทุกๆวันนะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นธรรมดีๆที่หนูไปเจอในที่แห่งหนึ่งและได้รับธรรมนี้กลับมาเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน กับท่านผู้ฟังท่านหลายได้ฟังคาาัณฑะวันนี้เมื่อหนุ่มได้เดินทางไปใ น, นดินแดแม่หนึน่งก็ พ, พบกับพ่อพระอินํำลังนั่งอยู่กับเทวน า, าและมีกลุ่มคนที่เป็นจิตวิญญาณนั่งกันอยู่หลายๆคน มีทั้งกลุ่มของเจ้าที่เทวดาที่ดูแลที่นั่นและมีเทวดาตามต้นไม้มีเทวดาที่เป็นดาวพยัญชนะและเป็นเทวดาที่เด็กโยต้องพบภูมินั้นมานานจนกลาเป็นเทวดารักษาที่นั่น หนูก็เจอพ่อปะอินกําลังนั่งสวดธนาธรรมกับเขาเหล่านั้นอยู่หนูเชเดินเนข้าไปนั่งลมรอมทัยกมื อ, นม บ, อบนามานมบ่ายขาบนมัสการพ่อปะอิงหนูเชิญพูดขึ้นมาว่าขาบนามาัสการบ่อปะอินเจ้าคขาพ่อปะอินเจ้าขา มีเหตุอะไรเหรอเจ้าคะเมื่อหนดทนถามพระองค์ท่านฉกพระองค์ท่านชิมบอกกับหนูว่าหนูก็ลองฟังดูก่อนสิลูกนั่งเฉยๆนะในขณะนั้นหนูจึงนั่งและเข้าฟังเรื่องราวที่พระองค์ท่านกําลังพูดคุยกับเทวดาเหล่านั้นอยู่ ได้เข้าใจอย่างนี้ว่าในขณะที่มีการก่อสร้างขึ้นมาตามป่าตามเขาก็จะมีการต้องไปลึกสมหรือว่าต้องมีการปรับปรุงพื้นที่นักจดต่างๆ ที่จะต้องมีการก่อสร้างเกิดขึ้นตามป่าเขา ท, ทุกทุกที่ที่จะต้องมีการก่อสร้างเกิดขึ้นและในขนาดที่จะสร้างบุญหญ่นั้นก็มีเจวิีญญาณที่เป็นทางพบภูมิเทวนานาเจ้าที่ทางสายนาคขันธ เทวดาต่างๆที่อยู่ในโลกที่สอนโลกเราอยู่นั้นเขาเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ในจุดต่างๆนั้นก็ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนในระดับหนึ่งและในขนาดที่หนูวามก็มีเหตุอย่างนี้ว่าเทวด า, าเหล่านั้นกำลังได้รับผลกระทบ จากการขอสร้างหน้าที่ที่เขาได้อยู่อาศัยกันจึงมาเรียกร้องขอความเป็นทันและจึงขอให้พ่อพระอินช่วยเขาเหล่านั้นหน่อยจึงได้มีการเสด็จตรงไปยังหน้าที่นั้นแล้วก็พูดคุยกับเหล่าเทวนานา ขนาดนั้นเหล่าเทวตาทางฝ่ายหน้าก็ได้เพลนทางหัวหน้าผู้นำเทวด า, าทุกกลุ่มเพื่อทุนขอตอบพ่อพระอินโหน่ใต้พินเทวตาผู้นั้นพูดกับพ่อพระอิน่าก่าดแหนะปู่พระอิน ขอบพระองค์โปรดทรงแมตาพวกเราได้เถิดบัดนี้ป่าไมา้ที่พวกเราได้อาศัยอยู่มานมนานก็ถูกบุกลุกทำลายพวกเราได้รับความเดือดร้อนและเสียหายในจุดต่างๆซึ่งพวกเราทุกๆคน กำลังเป็นทุกข์อยู่ขอพระองค์โปรดทรงเมตตาประทานความช่วยเหลือให้กับพวกเราด้วยเถิดเมื่อเทวตาองค์นั้นได้ทูลต่อพ่อพระอินไปอย่างนั้นแล้วพ่อพระอินท่านจึงตอบกลับมาว่าข้ารักเทวนาทุกทุกอง รวมถึงทั้งดวงจิตที่ติดอยู่ก็อีท่านเทวดาชั้นสูงและชั้นผู้น้อยทุกๆท่านทำจิตให้สบายสบายแล้วนั่งฟังกันใบเรื่อยๆแล้วค่อยค่อยคิดมามอย่างนี้สิว่าจะเป็นอย่างที่เราได้พูดออกมาไวหรือเปล่า และท่านทั้งหลายก็จะได้รู้สึกผ่อนคลายสบายใจในสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะได้รับอังต่อไปนี้เมื่อพรนะองค์ท่านพูดจบพระองค์ท่านก็ถึงพูดออกไปอีกว่าการก่อสร้างสถานที่ศักิสิ เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างบา ร, รมีและทุกอย่างยอมที่จะจุกลิ่ขิตเอาไว้อยู่แล้วเมื่อถึงเวลาก็ยอมที่จะมีผู้นำบุญเข้ามาเพื่อสร้างและพวกเราก็มีแสนหน้าที่ที่จะต้องดูแลปกปากรักษา คนไม่ดีมาทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่หากการที่เข้ามานั้นคือการสร้างบุญสร้างบารมีส้างคุณงามความดีวัตถุสิ่งของศักดิ์สิทธิ์เราทั้งหลายก็ควรที่จะยินดีน้อมตามไปด้วยและพวกเราก็จะได้รับบารมีจากพุทธะ ของการก่อสร้างขึ้นมานั้นหากใครคนใดคนหนึ่งเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เบียดเบียนเรามันก็จะเป็นอย่างนั้นในจิตของตนแล้วก็จะเบียดเบียนให้ตนนั้นเป็นทุกข์และจะไม่ได้อานิสงส์ของการรับบุญเลย มันย่อมมีตั้งขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาและในแต่ละปีแต่ละรอบที่หมุนเวียนผ่านเข้ามาก็คือการที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามอายุขัยของการเวลาและถึงแม้ว่าเราจะเป็นเทวดาที่ติดอยู่ตรงนี้กันมาตั้งแต่นานแล้วหรือเป็นเทวดา ที่จะต้องดูแลในจุดต่างๆมานานอาจจะเป็นหลายร้อยปีหรือหลายพันปีก็ดีเมื่อถึงเวลาทุกอย่างก็ยอมที่จะเปลี่ยนไปหากการเปลี่ยนแปลงของโลกเราเน้นไม่ยอมรับตามกฎของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ เป็นเทวดาเป็นหน้าก็ย่อมที่จะมีความทุกข์แต่หากว่าเรานั้นน้อมตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาของมันเราก็จะได้รับพลังบุญที่ก่อขึ้นมาและเราก็จะสามารถเปลี่ยนภูมิจิตของเรา ไปตามนั้นได้เช่นหาพวกท่านทั้งหลายเปิดทางให้มนุษย์เหล่านั้นเข้ามาสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านทั้งหลายก็จะได้รับบุญไปตามตามกันปรับข่าวด้วยได้โมทนาบุญไปพร้อมๆกันท่านก็จะได้รับพลังบุญนั้น เปลี่ยมภูมิจิตของท่านทั้งหลายให้มีภูมิจิตที่สูงขึ้นกว่าเดิมตามบารมีที่ท่านทั้งหลายควรจะได้รับและน้อมรับได้ของแต่ละดวงจิตเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าเป็นทุกข์เลยจงเป็นสุขเถิดและจงทําหน้าที่ของตน โดยการเปิดทางให้เขาได้เข้ามาสร้างและใช้บารมีที่ตนมีอยู่นั้นหนุนนำให้การก่อสร้างนั้นดําเดินไปได้ด้วยบารมีจากพวกเราทุกๆคนที่ร่วมกันสร้างสมเถิดท่านทั้งหลาย จงคิดอย่างนี้ซิว่าหากว่าการก่อสร้างขึ้นมาในคราวครั้งนี้เป็นการบุกรุกมาสร้างหมู่บ้านสร้างที่อยู่ที่อาศัยนั่นก็ย่อมหมายถึงการที่จะนำความทุกข์มาสู่ท่านอย่างแท้จริงเพราะในหมู่บ้านของมนุษย์นั้น ก็ยอมที่จะเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาและความสับสนวุ่นวายในแต่ละวันก็จะมีเสียงดังจะมีสิ่งต่างๆเข้ามากระทบพวกท่านดีแค่ไหนแล้วที่การก่อสร้างเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นการสร้างเจดีย์และสร้างที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ท่านทั้งหลายจงน้อมรับพลังบุญอันยิ่งใหญ่นี้และจงอย่าขวางกีดทางการสร้างบุญสร้างบา ร, รมีเลยท่านจงน้อมรับบุญนี้เอาไว้เถิดแล้วท่านก็จะเป็นสุขไปตามที่ท่านปรารถนาภูมิจิตของท่านก็จะเลื่อนไปสู่ภูมิจิต ที่สูงขึ้นได้จากเทวดาที่จะต้องอยู่ตรงนี้ก็จะเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้ารวมถึงทั้งเหล่านาคทุกๆุกองทุกทุกดวงจิตที่มาในนัที่นี้เมื่อบอประยินท่านพูดจบเหล่าเทวดาทั้งหลาย ก, งง ก, ก, ก, ก็นั่งนิ่งเงียบบางคนก็น้ำตาไหลบางองค์ก็น้ำตาไหลบางองค์ก็นั่งนิ่งแล้วก็รับธรรมะสรัทธะของท่านชาวบ้านาทั้งหลายที่หนุนไปเจอเหล่านั้นจึงนั่งบรรเลงกันเต็มไปหมดแล้วก็พาวนาจิตไปเรื่อยๆ หลังจัดนั้นโนนจึงได้โทรถามพ่อพรอินต่อไปอีกมาพ่อพรอินเล่าหาวันนี้พ่อพระอินให้ธรรมะกับแทพที่มาที่นี่เจตเป็น ญ, ญ, ญาณที่มาทุกๆเดือนจนทำให้ขาเหล่านั้นหลุดพ้นจากความทุกข์กันแล้วนะจ๊ะพ่อ เมื่อหนูทูลคุยกับพระองค์ท่านจบพระองค์ท่านจึงถามหนูกลับมาว่าเอาละควรอิ่มน้อยแล้วหนูละ่ะหลังจากที่อยู่ในเหตุการณ์มาหนูได้อะไรไปบ้างล่ะลูกไหนหนูลองพูดให้ม่อฟังบ้างสิ ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานี้ทำให้หนูได้อะไรไปบ้างเมื่อพระองค์ท่านพูดจบหนโูจึงทดนตอบพระองค์ท่านไปว่าพาอพะอิทนทรเจ้าค่ะสิ่งที่หนูได้ก็คือความรู้และก็ทำให้หนูได้รู้อย่างนี้ว่า การที่คนจะสร้างความดีหากว่าเรานั้นยอมรับและก็สนับสนุนหรือน้อมคุณงามความดีนั้นไปด้วยเราก็จะได้รับอันนี้สองบุญนั้นไปแต่หากว่าเราเป็นทุกข์ พอเห็นคนอื่นสร้างความดีหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำเราก็ยอมที่จะได้ไม่ได้รับบุญกับเขาเหมือนเส้นดังหากคนหนึ่งไปทำบุญแต่เราไม่เห็นด้วยเราก็จะไม่ได้รับบุญและได้รับความทุกข์กับไปเกี่แต่หากว่าเขาได้ทำบุญ ถ้าเราเห็นด้วยน้อมรับบุญของเขาเ่งด้วยเราก็ยอมที่จะได้รับบุญนั้นโดยสบายน้อยยิ่ ง, งหากเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหรือเป็นเพื่อนกันก็จะยิ่งดีมันก็จะส่งผลมาถึงเราด้วยการสร้างความดีเพียงแค่ให้เราน้อม วยเราก็สนได้บนบรลานีนานใบด้วยเชาา้าค่าเมื่อหนูตอบพระองค์ท่านชมพระองค์ท่านยิม้มเราก็พูดกับหน่อยว่าเพื่อนอินน้อยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาหากใครทำการสิ่งใด เรารู้สึกไม่เห็นด้วยนั่นก็จะเป็นความทุกข์สำหรับเราอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการอะไรก็ดีเราจงคิดอย่างนี้ซะว่าการที่จะทำอะไรนั้นผลของการกระทำมันก็ยอมที่จะ ตัวของผู้ทันหากว่าเขาทำในสิ่งที่ไม่ดีเขาก็ยอมที่จะได้รับผลของกรรมไปในทางที่ไม่ดีหากว่าเขาทำในสิ่งที่ดีเขาก็ยอมที่จะได้รับผลของการกระทำไปในทางที่ดีเป็นธรรมดา ตัวของเราหากใครที่จะทำอะไรเราก็ชงพิจะะารณาหากสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกและไม่ดีเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เปื้อนเป็นสิ่งตกรกรโกรหากเรายังเอาตัวของเราเข้าไปหา ไอ่ไอ้ชมว่าขัดขวางเราก็ยอมที่จะมีสิทธิ์ที่จะไปติดและคนเพื่อนกับเขาได้ด้วยหากใครจะทำในสิ่งที่ไม่ดีคนของกรรมนั้นเขาก็ยอมที่จะได้รับส่วนเรา ก็ปล่อยให้เขาทำไปและหากว่าใครทำในส่วนที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลเราเห็นแล้วว่าดีเราก็จงน้อมและอนุโมทนาบุญกับเขาเราก็ย่อมที่จะได้รับผลของบุญนั้นไปด้วย ละดับไปเป็นธรรมดาและไม่ว่าคนจะเก่งขนาดไหนก็ยอมที่จะหนีไม่พ้นกฎของกรรมไปได้หรอกและเช่นดังการที่จะสร้างสิ่งของวัตถุสิ่งที่เป็นคุณอันประโยชน์เป็นพุทธบารมีก็ยิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ดีหากเราขัดขวาง หรือไม่เห็นด้วยกับการสร้างสิ่งที่ดีก็จะเป็นกรรมติดตัวเราไปเหมือนเป็นฝ่ายมานคอยขวางทางการสร้างบุญสร้างบา ร, รมีของผู้อื่นแต่หากว่าเราน้อมรับบุญบา ร, รมีนั้นเราก็จะได้บา ร, รมีไปด้วย ถึงแม้ว่าเราไม่มีพละงกำลังอะไรเลยที่จะไปช่วยเขาเพียงแค่เอาจิตเราน้อมไปด้วยเราก็จะได้รับบุญบา ร, รมีนั้นเพื่อพระองค์ท่านทรงพุทธเจหน่อเชิงกาบลงท่ า, ทาพระองค์นั้นก็สรงพุทธ พ่อไปยินเนาะค่ะแล้วพ่อไปกินจะมีทรรมาดีๆอะไรฝากหนูไปเผิดแผ่อีกไหมเนาะค่ะเมื่อหนโทรถามพระองค์ท่านทรงพระองค์ท่านทรงยิ้มแล้วก็พูดกลับมาว่าเอาวละวันนี้ทรรมาที่เจ้าได้รับไปก็พอ ความรู้ให้กับเจ้าและท่านผู้ฟังที่คอยติดตามเจ้าอยู่พอสมพอควรแล้วแล้วเจ้าหลานเจ้าจะมีคำถามอะไรที่จะถามพ่ออีกไหมเอ้า พ่อไปอกนินท่านพุทธศพหนเจิงโทนถามพ่อไปอกนินท่านตอบไปว่าพ่อไะกนินเล่าหาแล้วถ้าอนั้นหากคนเราจะทำการสิ่งใดเราคดควรอย่างยิ่งที่จะต้องคำนวณถึง ความเหนือ่อยล้นหรือการที่จะต้องเบียนเบียนผู้อื่นด้วยใช่ไหมล่ะเจ้าคะแล ะ, ะแการสร้างหรือทําความดีของเรานั้นมันจะเป็นการสร้างความดีแต่บางครั้งมันก็กระทบผู้อื่นเราควรจะทํายังไงดีล่ะเจ้าคะ แก้ไข okay, okay. ปัญหานี้ไปตด้เมื่อหนูโทนหามพระองค์งท่านชัพระองค์ท่านออบกลับมาว่าการที่เราจะทำการทึ้งใดก็ย่อมที่จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยย่อมที่จะกระทบคนบางกลุ่มและย่อม กับคนบางกลุ่มจะทำอะไรแต่หากว่าเรานั้นมั่นใจแล้วว่าการกระทำของเรานั้นคือการทำความดีที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเราก็จงทำไปไม่ต้องหวั่นวันกับสิ่งที่จะโดนกระทบ ต้องไปสนใจกับสิ่งใดทั้งนั้นและพ่อก็เชื่อว่าการทำความดีนั้นแน่นอนว่าต้องแสงด้วยสิ่งที่ดีอยู่ข้างในนั้นยอมที่จะไม่เบียดเบียนใครหากว่าเขาเหล่านั้นเข้าใจเข้าถึง ในความดีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีสื่ที่ลึกลับซ่อนเล่นอยู่อยู่ที่ว่าจิตภูมิจิตของแต่ละคนจะเข้าถึงขนาดไหนจะแยกแยะได้หรือเปล่าว่าส่วนไหน ต้องทำยังไงต้องเป็นแบบไหนแต่หากว่าเรามั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นความดีและมีประโยชน์ต่อคนในหมู่มากเราก็จงตั้งใจทำไปตามหน้าที่ของเราและพยายามแบ่ง บุญที่เราทำแผ่ไปถึงจิตของคนเหล่านั้นก็ดีหรือภูมิจิตของเหล่าดวงจิตเหล่านั้นที่ยังไม่เข้าถึงและไม่เข้าใจก็ดีให้เขาเหล่านั้นได้รับบุญที่เราได้ทำไปด้วย เราหมั่นแผ่เมตตาและแผ่บุญกุศลไปให้เขาบ่อยๆเลื่อยๆไปเดี๋ยวเขาก็ได้รับบุญที่เราแผ่ไปให้เขาและเขาก็จะเข้าใจเองว่าเราทำอะไรการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งยิ่งเฉพาะเป็นการทำความดีแล้ว มันก็ย่อมที่จะมีอุปสรรคเป็นธรรมดาแต่หากว่าเราทำด้วยใจบริสุทธิ์ในที่สุดเราก็ย่อมที่จะชนะได้และคนเหล่านั้นหรือดวงจิตเหล่านั้นก็จะเข้าใจเองหากว่ามีสิ่งใดกระทบเข้ามาหน่อยเราก็ไม่ทำแล้ว และเราหมัวแต่สนใจกับสิ่งรอบข้างมันก็จะทำให้เราไม่ต้องทำอะไรเลยและจะไม่กลาดการลิเริ่มทำอะไรเลยสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งควรจะแคร์ถึงผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นคือการทำชั่ว ทำสิ่งไม่ดีแต่หากการทำความดีย่อมไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งและรับฟังเสียงรอบข้างนี้ฉะนั้นแล้วจะไม่เกิดพลังที่ชนะเสียงรบกวนเหล่านั้นไปได้เลยเนาะ สิ่งที่เราทำด้วยประโยชน์ย่อมที่จะเกิดประโยชน์ขึ้นมาอย่างมหาศาลเมื่อเราได้ใช้ชนะมาแล้วคนเหล่านั้นหรือดวงจิตเด่านั้นเขาก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราทำเองหากมีหน้าที่ต้องทำอะไรก็จงทำไปเถอลูกหากมันเป็นคุณงามความดี ทรงสร้งสงต่อไปและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นตัวพิสูจน์สําเร็จได้ในที่สุดเองอยังกระทบเข้ามาสิ่งที่กระทบไปกระทบมานั้นสิ่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนั้นการถูกเบียดเบียนเล็กน้อยนั้นย่อมเป็นธรรมดา ของทางฝ่ายที่สภาวะจิตยังไม่ถึงเราก็มองทุกอย่างเป็นธรรมดาและปล่อยให้มันผ่านไปเข้าใจไหมเมื่อพ่อพระอินทรท่านพูดชบหนวเชิญกราบน้ำมัชการขอพระคุณพระองค์ท่านที่ส่งให้พระทำรมคำสอนแก่หนูและลาจากพระองค์ท่าน โลกเพื่อเิดแพร่การทำคำสอนท่านผู้ปานท่านหลายจนซําเว้นใจอเสมอนะจ๊ะการที่ใครทำความดีแล้วเรากระจ็ดน้อมร่วมเราก็าย่อมที่จะได้ดีไปด้วยการที่ใครทำความชั่วและเราเออกจิไปตัดรอนหรือไอเพ้งเพ็ง เข้าไปรวมกลุ่มในนั้นก็เทากับเราลงไปปนเพื่อนด้วยกฎของกรรมก็มีทั้งขึ้นระดับไปเป็นธรรมดาปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกฎของมันเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใจว่าใครถูกใครผิดเรามีหน้าที่แค่ดูแลตัวเองให้เป็นคนดีเป็นดุมจิต ท, ที่ดีและดีที่สุดเท่านั้นนะจ๊ะ สวัสดีค่ะ